พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีสำรวมใจนี่ก็คือตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นนะเรียกว่าสำรวมจิตเพราะว่าจิตมันคิดวิ่งไปวิ่งมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแนะ ลองสังเกตดูเมื่อลมหายใจนี่หยุดลงนะความคิดมันก็หยุดลงเลยคนตายกับคนเข้าจตุธาชฌานเหมือนกันลมหายใจหยุดลงความคิดต่างๆก็หยุดลง อันนี้เรียกว่าเป็นกฎธรรมดาบัดนี้เราไม่สามารถที่จะทำลมหายใจเข้าออกให้มันหยุดลงได้อย่างนั้นก็เพราะว่าไม่ได้บรรลุฌานถึงไม่ได้บรรลุฌานก็เอาเพียงแค่ว่า ให้สติมันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันละลึกไปทางอื่นก่อนับว่าดีโขอพถ้ามันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นจิตมันไม่คิดไปทางอื่นแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วนะ ถ้ามันจะคิดก็ต้องคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะว่าพระคุณทั้งสามประการนี้มันเป็นที่รวมแห่งคุณทั้งหลายคุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์คุณของท่านผู้มีอุปการะ แกตนทั้งหลายแลมันก็มารวมอยู่ที่คุณพระรตนากลนี้แหละในเพึ่งพากันเข้าใจดังนั้นนะเมื่อใจมันเคารพมันนับถือพระคุณทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมานั่น ก็เพิ่งทำใจให้สงบจึงชื่อว่าเคารพในพระคุณถ้ายังปล่อยใจของตัวในคิดเลื่อนลอยไปภายนอกนั่นอยู่นี่ก็ไม่ชื่อว่าเคารพในพระคุณทั้งหลายมีคุณพระรัตนกรายเป็นต้นดังกล่าวมานั้นทางนี้ก็เพราะว่า พระคุณทั้งนั้นร่วงแต่เป็นไปเพื่อความสงบทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแห่งจิตเมื่อผู้ใดคิดถึงพระคุณทั้งหลายดังกล่าวมาณมีแต่ใจมันสงบลงเพราะว่าพระคุณทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ภายนอกจิตนอกใจ ไม่ได้มีอยู่ดินฟ้าอากาศเลยมีอยู่ที่ใจคนต่างหากนะใจคนคิดขึ้นมาใจคนเลื่อมใสก็ถึงมีได้ถ้าจิตของผู้ใดไม่เลื่อมใสไม่ยินดีในพระคุณทั้งหลายนั้นพราะคุณนั้นก็ไม่มีอยู่ในผู้นั้นเพราะไม่ยินดีไม่นับถือ ไม่เลื่อมใสจะมีได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เพราะว่าพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นเป็นนามธรรมาหรือว่าเป็นธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจไม่มีรูปร่างอะไรเลยดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ <c oughs> เมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยการทำใจให้สงบ ก็จึงเชื่อว่าเป็นการเคารพต่อพระคุณทั้งหลายในอนุสติสิบเนี่ยนั่นแหะน่าต่พุท ธ, ธานุสติเป็นต้นไปจนถึงอุปสมานุสติรู้วนแต่เป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสงบใจทั้งนั้นเลยผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็ต้องรู้ได้แหละ ที่ในนโมโกวาตรนะอารมณ์ที่คนระลึกสิบประการนะนั่นนะดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะอันนี้ก็เอามาย้ำอีกก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะอย่าไปปล่อยจิตให้คิดไปในเรื่องสพเพเหละนันไม่เป็นประโยชน์นั่น ถึงอยู่ธรรมดาเราก็ต้องคิดถึงคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะเน้อถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาประวัติของพระองค์เป็นมายังไงพระพุทธเจ้าเหตุที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์มีความภาเพียรสั่งสมบุญกุศลบารมีทําให้แก่กล้า บุญกุศลเหล่านั้นแหละเมื่อมันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็กำจัดกิเลสตัณหาอาสวะโนใหญ่ทั้งหลายที่อยู่หมักดองอยู่ในจิตใจของพระองค์ให้หมดไปสินปนน้นไปนี่ในชั้นใดแม้เราถ้าหากว่าเรากระทำกุศลคุณงามความดีไปกิเลส ตัณหาอาสวะอันหมักดองอยู่ในจิตใจของเรานี้ก็จะน้อยเบาบางไปโดยลําดับนีเ่เมื่อคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นเครื่องชวนให้ทําความเพียรชวนให้ละอาสวะกิเลสตัณหาไม่ให้สะสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจเมื่อระลึกเป็นนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ รละลึกเป็นก็ทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปอยา ก, กิตใจทำให้ใจสงบเป็นหนึ่งลงไปได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นพึ่งฝึกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในพระคุณทั้งหลายดังกล่าวมานั้น <c oughs> อย่าให้ใจมัน คิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต้องรู้ว่าเรื่องใดไม่เป็นแก่นเป็นสารนะก็เตือนตนเข้าไปทันทีย เ, เรื่องนี้นะไม่เป็นประโยชน์อะไรนะคิดทำไมล่ะอย่างงี้นะอันนี้ท่านเนีย ว, ว่าเป็นผู้รู้จักทวนกระแสะจิตนะคนที่เตือนตนไม่ได้นั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่รู้จักทวนกระแสะจิตอ ดังนั้นมันจึงละอะไรก็ไม่ได้เลยมีแต่คิดส่งไปข้างนอกมีแต่ไปข้างหน้าเลื่อยไปไม่ถอยหลังคืนมาห า, ามาหาต้นเดิมของกิเลสบาปรธรรมหรือว่ามาหาต้นเดิมของบุญกุศลหรือมรรคผลนิพพานนะ่ะไม่ย้อนเข้ามาหาเลยมีแต่ส่งกับส่งไปเรื่อยอย่างนั้นนะ แล้วมันจะลา ก, กิเลสได้อย่างไรอ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วการเจริญสมถะวิปัสสนานี่นะการเจริญวิปัสสนานี่ <c oughs> เมื่อพิจารณาไปตามอาการของสังขารต่างๆแล้วแยกแยะดูเห็นแจ้งตามเป็นจริงในสังขารเหล่านั้นแล้ว ก็ให้ทวนกระแสจิตกลับเข้ามาถามดูว่าของเหล่านั้นเป็นตัวตนเราหรือไม่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่เมื่อเรากระจายออกไปจิตมันก็จะเพ่งไปในอาการของขันห้านั้นอย่างนี้นะเมื่อเห็นแจ้งในสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้ว ก็จึงย้อนเข้ามาไอ้ขันห่านี่นะเป็นตัวเป็นตนหรือไม่หรือไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนเมื่อมันเห็นจริงโดยการพิจารณาอย่างว่านั่นแล้วมันก็ตอบตัวเองได้เลยแล้วว่าไม่ใช่ของเราเพรเห็นแจ้งแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยไม่มีอะไรบังคับบัญชาได้เลยอ่า เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ใช่ของเราถ้ามันบังคับได้มันก็เป็นของเราอย่างนี้แหละใครจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายแล้วมีผมมาก็อยากให้มันดำสนิทยอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นเรื่อยไปมีขนมาก็ไม่อยากให้มันหล่นออกไปมีเล็บมาก็ไม่อยากให้มันสำรุดสุดโทมไป มีหนังมาก็ไม่ต้องการอยากให้มันเหี่ยวมันย่นมันยานอยากให้มันเปล่งปังตึงตังอยู่อย่างนั้นแต่เหมือนเมื่อยังหนุ่มยังสาวมีฟันมาก็ไม่ต้องการอยากให้ฟันมันโยกมันค้อนมันรอนไปมีตาก็ไม่อยากให้ตามันมัวอยากให้มันใสอยู่อย่างนั้นแหละมองอะไรความมันชัดเจน มีหูมาก็ไม่ต้องการอยากให้มันวิบัติอยากให้ไม่ได้ยินเสียงชัดเจนอยู่เลยไปอย่างนั้นมีจมูกมาก็ไม่ต้องการอยากจะให้มันชํำลุดเพราะว่าจมูกนี่เมื่อมันชํำลุดแล้วสูดกลิ่นอะไรก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้กลิ่นเหล่านั้นชัดเจนเลยอะ่ะเร่ของสิ่งนี้ มันเหม็นจัดอย่างนี้นะมันก็เหม็นอ่อนๆของสิ่งนี้มันหอมจัดอย่างนี้มันก็หอมอ่อนๆนั่นเรียกว่าจมูกมันมันมันชำรุดแล้วมันมันรับกลิ่นนั้นไม่ได้เต็มที่เลยลิ้นก็เหมือนกันนะเมื่อมันชำรุดไปแล้วรับประทานอาหารเข้าไปนี่ไม่ค่อยจะมีรสอร่อยเท่าไรแล้วอื ไม่ค่อยจะมีรถกลมกล่อมเท่าไรแล้วมีแต่จืดจืดซืด่อดซืดซดไปอย่างนั้นแหละนี่เนะเอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทางหลายก็เหมือนกันเนะี่ยก็อยากให้มันได้สัดได้ส่วนไม่อยากให้มันชำรุดทรุดโทมไปอยากให้มันปกติเสมอไปอันนี้จะเป็นความประสงค์ของจิตใจ ที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ทั้งห้าอันเนี้ยถ้าว่ามีเวทนาก็อยากให้ได้เสวยแต่สุขะเวทนาอันเป็นนามธรรมอยู่นั่นนะอันทุกขเวทนาไม่ต้องการเลยนี่สัญญายนี้ก็อยากเก็บจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นอปปมงคลไม่อยากจําเลยแต่มันก็จําเป็นต้องได้จํา เมื่อสิ่งใดมันปรากฏมาในทางตาทางหูเป็นต้นแล้วมันก็นาทีสัญญาจะต้องจำเลยดีก็ดีชั่วก็ดีก็เป็นหน้าที่ของสัญญาจะต้องจำนั่นแหละมันก็บังคับไม่ได้ไม่ให้สัญญาไปจำสิ่งที่ชั่วยรงต่างมันก็ไม่ได้สังขารเราจะห้ามไม่ให้มันดับไปก็ไม่ได้ เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจะให้มันตั้งยั่งยืนอยู่ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่าง อ, าอาวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่รวมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละแปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้มีให้เกิดให้มีขึ้นมานี่นะสิ่งใดถ้าหากว่าถูกปรุงแต่งให้เกิดให้มีขึ้นมาท่านเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละให้พึงเข้าใจ ที่มีวิญญาณครองก็ได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีจิตวิญญาณครองก็ได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายดินแม่น้ำอะไรหมูนี้แหละหมูนี้ไม่มีจิตครองอะ่ะอา้าวถ้าอย่างนั้นไอ้ต้นไม้นะ่ะมันมีแมงเข้าไป กัดไปกินอยู่นั่นล่ะมันจะไม่ชื่อว่าไม่มีวิญญาณคองหรือไม่ใช่อันนั้นก็สัตว์ไร้ฉานนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่จิตวิญญาณของต้นไม้นะไอ้กรรมมันไปแต่งสัตว์ให้เกิดอาศัยอยู่ในต้นไม้นั้นต่างหา ก, กมันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วอะเมลงตัวบุ้งตัวหนอนอ่าอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงว่าแม่น้ําำนั้นเอาปลาแล้วมันก็ยังอาศัยอยู่นั่นเอากบปลามันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นนะ่ะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองเหล่านี้น่ะก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันมันก็ถูกปรุงแต่งขึ้นเหมือนกันเส้นหน้าฝนมาอาแม่น้ําลําคลองต่างก็ไหลนอง มากมายเพอฝนมันหลั่งลงมาแต่ท้องฟ้านั่นคันถึงหน้าแรงมาฝนไม่ตกแล้วน้ำก็แห้งไปอย่างนี้แหละต้นไม้ใบหญ้าหมู่นี้นะเมื่อมันถึงฤดูฝนมามันก็ได้รับปุ๋ยได้รับอุจจุธาตุาทั้งสี่มันรองดองสามสิคีกันแล้ว มันก็เกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาคันเมื่อฝนหยุดไปแดดเผาเอาก็เหี่ยวเฉาไปตายไปอมหมู่นี้นะเนี่ยเรียกว่าสังขารที่ไม่มีใจครองนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้ต้นไม้คิดดูเป็นไงอ่ะ หน้าฝนมาก็ใบปริใบเขียวชะอุ่มหน้าลื่นเริงบันเทิงเอากันหน้าแรงมาแดดเผาเข้าไปก็เหลืองหน่อยหนึ่งก็คั่วเน่าก็หล่นลงสู่พื้นดินหมดเหลือแต่กิ่งต้นไม้บางชนิดอ่ะบางชนิดก็ผลัดกันลนไปเรื่อยๆแล้วมูนี้นะตรงพี่นาให้เกิดความสังเวชส่ เนี่ยสังขารทั้งหลายอ่ะทั้งภายในคืออัจในภายในอัจฉริพร่างกายนี่มันก็สุดโทมไปโดยลําดับอยู่างนเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าหมูนั้นแหละก็ตทองพิจารณาให้มันรู้ทั้งภายนอกภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดอะไรนี่เมื่อรวมความลงแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เห็นด้วยตาที่ได้ยินด้วยหูที่ได้สูดด้วยจมูกที่ได้รับด้วยริ้นที่ได้สัมผัสด้วยกายหมู่นี้นะร้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นแหละให้เพื่อนพานเข้าใจมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แ ป, ปรปวนในถ้มกลางก็แตกดับในที่สุด นี่มันมันไม่ยาไม่มีอะไรเป็นแกนสารไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่เราจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังได้เลยนับตั้งแต่ขันทั้งห้าคือกายกับใจนี่แนี่ยออกไปภายนอกนู่นเราต้องพิจารณาแต่ภายในยนี่ออกไปนอกพิจารณานอกเข้ามานยนั่นเมื่อพิจารณาดูแลนอกกับในเหมือนกัน มีสภาวะเหมือนกันเลยเพราะถ้าเพ่งพิณาให้ถึงความจริงแล้วนะแต่ถ้าพิณาในแค่สมมติบรญญัตินี่มันก็ก็ไม่เหมือนกันแหละมันก็แตกต่างกันไปอะสีสันวันนะอะไรต่ออะไรรูปร่างลักษณะสวดทรงแตกต่างกันไปจริงแหละแต่เมื่อเพ่งพิณาดูสภาวะแล้วเหมือนกันหมดเลยเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดอะ แต่ว่าคนเรานั่นน่ะอาศัยอวิชชาตันหามันย้อมใจมันมันมันดูดมันชักจูงจิตใจนี่ให้หันเหไปในเรื่องรักเรื่องใครน่นน่ะมันจึงไม่ยอมพิจารณาความจริงของสังขาร ทั้งภายนอกภายในทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเหล่าเนี้ยมันไม่ยอมพิจารณาในตัณหามันย้อมใจไว้อวิชชามันสกัดไว้ไม่ให้คิดไม่ให้รู้ไม่เห็นไม่ให้สว่างในเรื่องนี้นั่นการที่จะถูกอวิชชาตัณหามันสกัดไปได้ก็เพราะว่าไม่ได้เจริญสมาถะ ไม่ได้ทำใจให้สงบเลืองมัน่ะหรือว่าเริ่มต้นมาก็ไม่ได้สำรวมในศีลไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์น้่นแหละมันมีแต่บาปครอบงำอยู่ในจิตใจนี่ใจยังมัวหมองอ่ะเมื่อใจมัวหมองแล้วมันจะพิจารณาอะไรเห็นเล่านั่นแหละเพราะฉะนั้นจะ ข้อปฏิบัติสามประการนี้พระศ า, าสดาจึงได้แสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราจะไปปฏิบัติแต่อย่างใดอย่างหนึง่งไม่ได้ไม่สามารถที่จะลา ก, กิเลสบาปประธรรมได้ก็ต้องบำเพ็ญปอยพร้อมๆกันไปเลยเอา้าวความสำรวมในบาปป้องกันอยู่นี้ศีลแบบนีนะ้เมื่อสมทานมั่นในศีลลงไปแล้วก็ไม่ล่วงเกิน อย่างนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอาการกายวาจาไม่ให้พลั้งเผลอเนี่ยตั้งกิจเจตนาวิริยะเว้นตลอดไปเลยนั่นแหละ <c oughs> เช่นนั้นนะมันจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไม่ล่วงในสินเมื่อไม่ล่วงในสินแล้วบาปอากุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ เกินความโกรธความโลภอะไรอย่างนี้นะมันก็เกิดไม่ได้ถ้ามั่นในศีลแล้วนะความหลงที่ที่จะเผลอไปอทุบไปตีไปด่าไปว่าคนอื่นก็ไม่มีไม่หลงไม่เผล อ, อเลยเนี่ยบางคนนะ่ะแม่มันละมืดแปดด้านขึ้นมาจนลืมตัวไปเลยมันถึงได้ ตกได้ตีได้ฆ่าผู้อื่นอะไรทำนองนี้นะมีแต่ว่าอย่างนั้นแหละคนเราน่ะเมื่อมันประมาทมาแล้วนะมันเผลอไปมันมืดเลยนั่ลืมตัวไปเลยทั้งหมดอ้าวมันก็ลืมที่ตัวเองไม่ตั้งคิดเจตนาจาวิรัตน์ละเว้นน่ะไม่ได้ตั้งขิดไว้เลยนะ ถ้าได้ตั้งคิดเจตนาไว้ว่าเราจกไม่โกรธใครเราจกไม่รูปเอาสิ่งของของใครมาเป็นของตนอย่างนี้นะตั้งสติอธิษฐานใจไว้บ่อยๆ อ, อ, อย่างนี้นะมันก็มีสติระลึกได้สิวะนั่นเมื่อเวลามีเหตุที่จะมาย้วนยั่วให้เกิดความโกรธอย่างนี้มันก็รู้ได้ทันทีเลย รู้ระลึกได้ว่าเออเหตุนี้มันจะไปมันจะยั่วให้โกรธนะนี่น ะ, ะกดละเหตุอันนั้นทันทีเลยสะกดจิตใจให้ละเหตุอันนั้นทันทีเลยไม่ใส่ใจกับมันอ่ะเช่นนี้แล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าความโกรธมันก็มาจากเหตุคือการทำความไม่พอใจ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นนะอันนั้นนเป็นมูลเหตุอ่ะที่ให้เกิดความโกรธอ่ะทีนี้ถ้าว่ามาห้ามจิตได้ทันแล้วมันมันไม่โกรธแล้วบะเนี้ยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันรู้จักเมื่อรู้จักแล้วตนสำรวมตนระวังตัวอยู่เนี่ย บาปอากุศลต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใจก็ไม่มัวหมองแหละวะนี้นะกระหองใสเนี่ยนั่นแหละเมื่อใจพ่องใสแล้วน้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงง่ายแบบนี้มันไม่มีบาปมารบกวนใจอ่ะใจไม่ฟุ้งซ่านนี่ไอ้ที่ใจฟุ้งซ่านน่มันเรื่องของบาปนะให้พึงเข้าใจแต่ แต่คนส่วนมา ก, มากไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้ว่าบาปมันมารบ ก, กวนตนให้จิตใจของตนคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาถ้าหาว่าตนสาวทบทวนดูให้ที่ทวนถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อบาปชนิดนี้เนี่ยมารบ ก, กวนจิตใจของเราอย่างเงี้ยมันก็รู้ได้พอรู้ได้แล้วมันก็กำหนดกำหนดละเหตุอันนั้นซะ เมื่อเมื่อละเหตุอันนั้นได้แล้วจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านต่อไปเนี่ยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถึงอย่างไรผู้ปฏิบัติทานี่นะต้องพยายามทำใจสงบให้ได้สงบแบบหนึ่งมันก็ใช่ไม่ได้นะแบบปล่อยให้ความง่วงคอองามแล้วก็เคลิมไปอย่างนั้น มันไม่คิดอะไรแล้วจิตใจอ่ะของว่ะความว่งครอบงามนี่อย่างนั้นมันใช้ไม่ได้ต้องสงบแบบมีสติรู้ตัวอยู่นี่นะนั่นแหละคือว่าจิตรู้จิตอยู่รู้ตัวว่าขนาดนี้นะจิตไม่มีอารมณ์อะไรอ่ะปล่อยวางหมดแล้วจิตอิ่มจากอารมณ์ต่างๆแล้ว อย่างนี้นะมันรู้ตัวอยู่อย่างนี้แต่ไม่รับรู้เรื่องภายนอกเสียงต่างๆภายนอกไม่ใส่ใจใส่ใจแต่ตัวเองอย่างเดียวคือใส่ใจแต่จิตเท่านั้นแหละสตินั่นนะ่ะระลึกอาหกกนดรู้อยู่แต่จิตอย่างเดียวอย่างนี้นะถึงจะได้เป็นสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิต ด, ด้วยชอบได้อนะ ท่านก็เรียกว่าปฐมชาญนั่นแหละว่าเทียบกับชาญก็ดีผสมชาญนี้เมื่อทําใจให้เป็นหนึ่งลงไปได้พร้อมด้วยสติประคองอยู่นั่นแหละมันก็เป็นผสมชาญได้เลยแต่ว่าคนเราทำไม่สามารถที่จะบําเพ็ญให้บรรลุถึงซึ่งจะตุทะชาญนู่นได้ถ้าผูใ้ใดบําเพ็ญชาญนี้เข้าไปจนบรรลุถึงจะตุทะชาญได้ มันก็เป็นสัมมาสมาธิได้โดยสมบูรณ์เลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ได้ถึงว่านั้นมันก็ยังเป็นสัมมาเต็มที่ยังไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราเจริญสมาธิลงไปได้ถึงเอกะขะตาจิตแล้วมันก็เจริญวิปัสสนาได้เลยนะอ่ามันเป็นอย่างนั้นขอให้จิตสงบ ไม่คิดพุ่งสั้นไปทางอื่นเถิดแล้วเราก็พิจนาอะไรได้แหละบัดนี้นะ <c oughs> ดังนั้นใพากันใส่ใจให้มากการพิจนาก็อย่างว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่นอกเหนือไปจากไตรรัตนญาณนะอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆเลย พิจารณาอะไรก็ต้องให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกอย่างเลยเพราะความจริงมันมีอย่างนั้นแท้ๆนี่จะเป็นรูปต่างๆรูปร่างกายที่ตัวเองอาศัยอยู่นี่ก็าตามจะเป็นรูปภายนอกรูปคนอื่นรูปสัตว์อื่นรูปต้นไม้ใบหญา้ารูปดิน หินทรายกรวดรูปท้องฟ้าอากาศต่างๆรูปพระอาทิตย์รูปพระจันทร์รูปดวงดาวมูนี้นะที่เรามองเห็นด้วยตามูนี้รวมเรียกว่ารูปภายนอกนี่เนี่ยรูปทั้งหมดนี่นะมันก็สัก์ไปว่ารูปเท่านั้นนะ มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยนี่เราต้องใช้ปัญญาสอนจิตใจนี้เข้าไปนะไม่ไม่ใช่ว่ากําหนดรู้อยู่เฉยๆอะ่ะสอนจิตเข้าไปรูปทั้งหมดนี่นะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทำไมเราถึงไปหลงรักหลงใคร่คล้ายๆกับว่าตนเองสอนตัวเองอย่างนี้นะ ทำไมยึงไปหลงเกลียดหลงชังทำไมยึงไปโกรธเพราะว่ารูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรานี่เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปจิตก็รู้เห็นตามปัญญาสิวันนี้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแท้ๆส่วนที่เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อหากว่าจิตนี่มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มันรู้เท่ารูปอ น, นั้นได้แล้วมันก็ไม่เห็นแจ้งในนามนี้ได้เลยแหละเพราะว่ามันนามธรรมนี่มันอาศัยมันเกิดขึ้นกับกายกับจิตสัมผัสกันถูกต้องกัน น, ะนั่นแหละ